วันวันนี่ใครฟังไม่รู้เรื่องเลยถามจริงไม่ต้องโกหกอ่ะยกบือสิมีเนี่ยบางคนเน่ยจะตายแนละ้วถึงคราวจะตายแหลวมากราบเท้าเลยวะอาจารย์ฟังตั้งแต่ฟังอาจารย์มาหลายปีขอรำสุรภาพเลยไม่รู้เรื่องเลยคือไม่เห็นความคิดเลยที่อาจารย์บอกเห็นความคิดความคิดเนี่ยฟังอาจารย์มาหลายปีไม่เห็นความคิดเลยจะตายแล้วมากราบเท้าเลยบอกว่า ไม่เห็นความคิดเลยร้องไห้คนแก่แล้วด้วยแล้วก็หลางจะกแกกลับไม่นานแกก็จะตายจริงๆแล้วก็ไม่นานแกก็ตายแต่โชคดีก่อนจะถึงแก่ความตายแกเกิดเห็นไม่ได้เอาแกฟังมาหลายปีแกไม่เห็นความคิดเราบอกแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมเอะแล้วก็เห็นนั่งร้องไห้อยู่เนอะเราก็รู้ว่าแกร้องไห้เพราะว่าหลานแก เป็นกระทำความผิดมีได้รับโทษอะไรต่างๆเขาก็เลยร้องไห้แล้ววันนี้ี่ยร้องไห้เอเนี่ ย, เ, ยเพราะว่าเสียใจหลานไปกระทาความผิดติดยาก็เลยร้องไห้แล้วเราบอกว่านี่ไม่เห็นเหรอเนะี่ยมันคิดแล้วก็คิดแล้วก็ทุกเนี่ยอาจารย์สาบานได้เลยไม่เคยคิดเลยมันร้องไห้ขึ้นมาเลยออ เราไปไม่ถูกเลยนะเนี่ยโอ้โหขนาดคิดจนถูกข์เรจะร้องไห้มาแล้วแกบอกว่าไม่เคยคิดเลยอาจารย์สาบานได้มาร้องไห้มาเลยนะไม่รู้เลยไม่เห็นเลยบอกมไม่เคยคิดเลยอาจารย์ไม่เคยคิดเแต่ไม่ไม่เห็นคิดจริงๆไหนใครยกมือจริงนิถามจริงจริงนี่เราสอนตั้งหลายวันเนี่ยใครไม่เห็นว่าตัวเองคิดมั้ยเนี่ยอย่าอายยกมือหนึ่งสองสาม เนี่ยโอ้ไม่เห็นจริงๆนะนี่ไม่ไม่ฉี่ไม่เห็นไม่เห็นจริงๆไม่เห็นคิดคนอื่นยังไงไม่ว่ากันหรอกอ่ะคนอื่นนี่ก็ไม่เห็นเออแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋เดีเนาไม่เห็นคิดไม่เห็นคิดไม่เห็นคิดไม่เห็นคิดเห็นอะไรไม่ชีอามือเอาไปพูดซิเออดีดเหมือนกันเออเดี๋ยนี่นะคนไม่เห็นว่าเธอเองคิดไม่เห็นคิดนี่เห็นอะไรแล้วหลายวันมานี่เห็นอะไรอ่ะ คือคือฟังนะคะหลวงตาบางบางขณะก็เหมือนเข้าใจแต่บางช่วงก็เหมือนไม่เข้าใจอ่ะฮะไม่รู้เรื่องอะฮะแล้วแล้วอย่างวันนี้ปุ๊บ ก, ก็ติวให้นะคะบอกว่าเรื่องคิดกับเรื่องรู้เนี่ยก็ยังงงอะะหลวงตายัางยังยังยังสับสนอยู่อะฮะแล้วแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้เลย รู้ค่ะว่าตัวเองคิดอะไรแต่บาทีไปคิดเรื่องตื่นอไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเยเดยบอกไม่เห็นคิดแต่บอกว่ารู้ตัวเองกําลังคิดอะไรรู้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมันจะไม่เข้าใจใช่ใชคิดเหมือนส่งจิดออกนอกแล้วมันรับเข้ามาเนี่ยพอรู้ตัวก็ก็ริบเหมือนกับพอรู้ตัวปุ๊บก็ภาวนาพุทโธพุทโธไว้ก็ถักมาแล้วก็ลืมเรื่องที่คิดนี่นะคะคือเหมือนบางครั้งพอคิด ออกไปข้างนอกเรื่องอื่นอย่างเงี้ยคะใจมันคิดส่งออกไปพอรู้ตัวก็รีบกลับมาแล้วคิดนั้นมันก็หายไปอะค่ะพอพอรู้ตัวเราก็รีบพุทโธพุทโธพุทโธไปใช่ค่ะแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วรีบดูลมหายใจด้วยค่ะแต่ความคิดที่หลงคิดไปก็หายไปก็หายไปแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติอยู่แค่นี้เหรอเอาแล้วตอนที่มันไม่ไม่หลงคิดเรารู้ตัวพุทโธพุทโธรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่ใช่ไหม เอาแล้วตอนนั้นในใจคิดอะไรอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นนะฮะก็รู้แต่ว่าพาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นแล้วถ้าถ้าหลับตานะักสมาธิบางทีมันก็เหมือนกับลูกไปเลยอ่ะฮะเหมือ น, นช่วงสองวันนี้ก็พยายามจะไม่หลับตาเพราะว่าพอหลับตาปุ๊บเนี่ยเสียงของตาก็จะหายไปด้วยเลยค่ะไม่ได้ยิน พอรู้ตัวขึ้นมาก็ต้องรีบลืมตาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วในสภาวะที่ไม่ไม่หลงไม่เหม่อเผอเผลอหลงส่งจิตออนอกไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ก็เนี่ยตามองเห็นลงตาตอนเนี้ยหูได้ยินเสียงลงตาตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ได้เหมื่อเผอเผลออะไรไปแล้วไม่รู้หรอกว่าในใจเนี่ยกาลังคิดอะไรซ้อนลงตาอยู่พากอะไรพูดอะไรอยู่ในใจเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะ ไม่พากไม่พูดแม่อะไรเลยเหรอไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ตอนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเม่ต้อ่ะปัจจุบันเนี่ยเราก่อนหน้านี้ปัจจุบันเนี่ยตามองเห็นลงตาเดี๋ยวนี้หูก็ดีเนี่ยแล้วนี่ไม่ไม่รู้ไม่นึกเหรอว่านี่เป็นลงตาและลงศัพท์ิดค่ะอ้าวแล้วนี่ไม่ได้คิดมันเี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พากมันจะพูดซ้อนเหรอเนี่ยอืมประเด็นลงตาและลงศัพท์กำลังพูดอยู่เน นี <ítulo> ่เราไม่ได้เรนนี้เราไม่ได้เหมอไม่ได้ไม่หล่นหลงอะไรอ่ะนี่ลุงตาลุงตากำลังพูดอยู่อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไป่ไดนึกไม่ได้ตึกไม่ได้ตอไม่ได้พากอย่าเนี้ยเหลุงตานั่งอยู่ลุงตากำลังพูดอยู่เห็นคิดนะอ้าวนี่ไงไบอกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ะนี่เห็ก็ในทวาวัตเนี่ยในทวาวัตรู้ตัวอยู่เนี่ยไม่ได้ในขณะที่ไม่หลงอยู่เนี่ยตาก็มองเห็นลุงตาเนี่โอูก็ดียินเสียงอยู่เนี่ยดูให้ดีๆนี่ในใจเราเนี่ยมัน ในหลวงตาหลวงสังนั่งอยู่กำลังพูดอยู่ตอนนี้เราในหอวงตาพูดวเราก็อพยายามตั้งใจความที่โดนดูเนี่ยมันก็พูดอยู่ในใจทำไมไม่พูดเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันพูดอยู่มันคิดอยู่เนี่ยเนี่ยมันคิดมันพูดมันคิดมันลึกมันตึกมันต่อมันภาคมันพูดอยู่เนี่ยเราพยายามใช้คําหลายคําเพื่อให้โดนใจสักคํานึงอ่ะคือมันไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ตอมมันก็พูดมันภาคมันวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณเราเนี่ยเรานี่คือคิดทั้งนั้นเนี่ยที่พูดหลายคําเนี่ยเพื่อให้้รูว่ามััันนนนนโดออไหึงะ มันต้องไม่คิดก็ต้องนึกไม่ตึกตึกตองวิเคราะห์วิจาวิจัจยภาคพูดบนพูดอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยเราใช้คาหลายคำมากเลยเพื่อให้รู้เลมันคิดตั้งนั้นเนี่ยมันเป็นจิตปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ยังยังหลวงตายกตัวอย่างว่ายกกระติกน้ํายกแก้วอย่างเงี้ยเราก็เห็นในใจเราก็ว่าโอ้หลวงตายกแก้วเราไม่ได้คิด <ยก S 1> ไม่ได้นึกไม่ได้ตึกไม่ได้ตองไม่ได้ภาคเราทําไม<ะ>ผมไม่เห็นอนะ่ะจะพอขนาที่หลวงตาถามนี่ปุ๊บนี่มันมันนึกไม่ทันเลยะ คิดไม่ท <responsible> hmm <ory> ันตอบไม่ทันดินี่เนี่ยนั่งนั่งรอคําตอบเราเนี่ยมันก็ตึกตองอยู่เนี่ยมันก็รอคําตอบไอ้ตัวรอคําตอบเนี่ยก็คิดก็ตัวกระเพื่มตัวไหวตัวแสดงแอคชั่นแสดงกริยาการเราเนี่ยหลวงตาใช้หลายคํามากเลยเพื่อให้มันโดนใจเรามากคือไม่คิดแต่มันแสดงกริยาการแสดงแอคชั่นแสดงคำท่าแสดงรอคําตอบแสดงความสงสัยล้วนแต่ไปเป็นสังขารทั้งหมดอ่ะตัวเนี้ยอย่าอย่าเอาตัวเราไปเป็นตัวนั้นอย่าเอาตัวเราเป็นสังขารอย่าเอาสังขารเราไปตัวเรา รอคําตอบสงสัยแสดงท่าทางทาท่าทําท่าอะไรในใจล้วนแต่เป็นตัวคิดตัวนึกตัวตึกตัวตองตัวสังขารตัวปรุงแต่งหมดเลยอย่าไปเป็นตัวนั้นอย่าไปแสดงกิริยาการนั้นไอ้เนี่ยพอไอ้ตัวนั้นเป็นตัวกระเพื่อมได้ไว้ตัวได้เกินดับได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกขณะปัจจุบันนี้ที่ตามองเห็นตาหูฟังเสียงตอนนี้ไม่ได้ขาดสติมือเพลินเห็นไหมว่าในใจเนี่ยมันแสดงกิริยาการอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอาถามจริง มั น, นแสดงอะไรบ้างตอนนี้อ่ะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เหรอมันเกา<ค>วัวแก่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อ, ค, อ, อ, อนะคิดจาๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ่ๆๆๆตไๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆนีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆื่อไว้ตัวเนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแๆๆงได้ไ อย่าไปเป็นตัวมา้นอย่าไปเป็นตัวปรุงแต่งเด็ดขาดเลยไอ้เห็นมาให้เป็นผู้เห็นอย่าไปเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้เห็นอย่าไปเป็นผู้ปรุงแต่งเห็นไหมว่ามีการเพื่อ ม, ม, hahaha, มีการไหวตัวมีการเกิดดับมีการทําท่ามีการคิดนึกมีการทบทวนมีการประมวลผลเห็นไห้เห็นเหรอเออเห็นอย่างเงี้ยก็ให้เป็นผู้เห็นเรื่อยไปอย่าไปเป็นผู้ปรุงแต่งให้เป็นผู้เห็นเรื่อยไปอันนั้นแ <phenomenal. S 1> นะมั <everyday> นก็จะพ้นจากทุก ไปเป็นผู้ปรุงแตง่งมันก็เป็นสังขารเลื่อยไปอ่ะแยกไม่ออกระหว่างผู้เห็นกับผู้เป็นผู้ไปเป็นผู้ปรุงแตง่งกับผู้เห็นปรุงแตง่งมันแยกไม่ออกอาอตอนนี้เข้าใจยังอะ่ะเข้าใจไม่เข้าใจไงให้มันชัดเจนเดี๋ยวเอาตีละคนเลยคนไหนที่ไม่เห็นเดี๋ยวอย่าอ้ออึงไว้นั่นอย่าโกงยกมือเลยเดี๋ยวจะไล่เห็นไหมเนี่ยเห็นจริงไหมเนี่ยพีชีเห็นแต่ว่าตัวเองตื่นเต้นอยู่ฮะตื่นเต้นแล้วก็ คิดส <double> ับสนเออเนี่ยคิดสับสนนี่ไงไอ้คิดสับสนนี่คือปรุงแต่งอย่าไปเป็นตัวเราที่คิดสับสนให้เป็นเป็นผู้เห็นว่าเนี่ยมันคิดสับสนไปเห็นที่มันคิดสับสนแต่อย่าไปเป็นตัวเราคิดสับสนอย่าเอาตัวเราไปคิดสับสนว่าไอ้คิดสับสนนั่เป็นตัวเราให้เป็นผู้เห็นจิตมันคิดสับสนอย่าไปเป็นจิตที่คิดสับสนเห็นแต่อย่าเป็นเออเนี่ยก็ยังลงไง หลงไม่เป็นสังขารเอเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอ้ตัวที่เข้าใจเข้าใจเนี่ยเป็นสังขารนะเนี <médico S 1> <th> ่ยก <go van Winter> <accord> <loop> ็หลงไปเป็นผู้เป็นเนี่ยเนี่ยเน่ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอ้ตัวที่เข้าใจเข้าใจเนี่ยเป็นสังขารนะแต่ไอ้ผู้เห็นว่าเนี่ยกําลังกําลังที่จิตมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอ้ตัวเห็นเนี่ยอันเนี้ยมันพ้นจากสังขารไม่ชีเห็นไหมเนี่ยว่าเนี่ย มันมือนแสดงอาการดีใจเขเข้าใจแล้วผู้จะเข้าใจแอะอะไรอย่างเงี้ยสังหารนั่นไปเป็นผู้เป็นหมดเลยไม่ไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้เห็นไปเป็นผู้เป็นเขาเข้าใจเขาเข้าใจโอ้เขาเข้าใจมากเลยเข้าใจจริงอันเนี้ยเราไปเป็นผู้เป็นเลยทาไมเป็นผู้เห็นเนี่ยแต่ถ้าเห็นว่ากำลังในจิตเนรากําลังทํากิาการเนี้ยไปเป็นผู้เห็นเลยไม่เป็นผู้เป็นมันต่างกันนิดเดียวแต่ต่างกันเนี่ยฟ้ากับดินเลยถ้าไปเป็นผู้เป็นน่ะจมดินเลย แต่ถ้าเป็นผู้เห็นนี่ยเนี่ยมันทะลุฟ้าเลยมันต่างกันฟ้ากับดินเน่ยตรงนี้สําคัญมากนะเห็นตามที่หลวงตาพูดไหมเนี่ยหรือไม่รู้ว่าในใจเรามันเฉยอย่างเดียวเห็นไหมเหรอมันเฉยมันยังไม่เห็นนะคะเฉยอย่างเดียวแล้วรู้ไหมว่าเฉยอ่ะอาการที่เฉยเนี่ยแนมันเป็นผู้เป็นแล้อย่าไปเป็นผู้เป็นมันนะให้รู้แต่ว่าจิตมันแสดงอาการเฉย ให้เป็นผู้รู้แต่อย่าไป็นเป็นอาการเฉยอย่าไปเป็นอาการเฉยนะให้เป็นผู้รู้อาการเฉยรู้ไหมอ่ะว่ามันเฉยอยู่ไอ้นี่เฉยมหมยังหายเฉยยังฮะรู้ว่าเฉยเออให้ให้เป็นผู้ ร, ร, รู้รนนรรว่าเฉยแต่ถ้าเกิดเดียไอผู้รูนะ้เนี่ยมันคิดเราเห็นแล้วไม่ไม่เฉยนะนคิดอยู่ไอ <c oughs> ผู้ที่รูนะ้เฉยนาะคิดเอาคิดเอาเลยนะีย ผู้ที่รู้เฉยนะมันคิดเอาคิดเอาเลยน่ยไม่เฉยแล้วเห็นไหมน่ะเห็นไม่ว่ามันมันคิดนอ่ะไม่คิดอะไรในใจเห็นไหมไม่เห็นเฉยเลยมันคิดอะไรรู้ไหมไม่เห็นนะโอ้ไม่เห็นก็มันคิดว่าเฉยไงเออเขาที่เฉยมาเลยเออมันเห็นแต่เฉยเฉยไม่เห็นอะไรเลยทำไมเราตาว่ายว่าเราคิดเราไม่เห็นคิดอะไรเลยเราไมีแต่เฉยเฉยอันนี้มันคิดอยู่นี่อไม่เห็นว่า ก็เราเนี่ยคิดอยู่เนี่ยว่าเรก็เฉยๆทำไมดวงตาว่าเราคิดไม่เราคิดอะไรเลยไอ้เนี่ยมันคิดอยู่เนี่ยแต่ไม่เห็นมันอ่ะเป็นคนคิดแะเองไงคิดว่าเราเฉยอยู่เราไม่เห็นคิดอะไรทำไมดวงตาว่าเราคิดก็นี่มันคิดอยู่นี่ไงแล้วมันเฉยที่ไหนฮะก็คิดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอุ้ยเดี๋ยวสอนไงวะเราต้องมีวิธีพูดเลยจะได้วิธีพูดสอนเนี่ยให้เห็นได้ เมธีเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเมธีเอาเอาความรู้ภายในเนี่ยมันปักปักใส่อาการเมธีจ้องแต่อาการมันเลยไม่เห็นไอ้ไอ้ตัวเรานเนี่ยเนี่ยตัวปูงอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เมธีเนี่ยปักใส่เลยเห็นปักเข้าไปดูในตัวเวลาพาอเราาบอกว่ามันคิดอยู่เห็นไหมเนี่ยก็ทําลักษณะก้มเข้าไปดูในตัวไม่เห็นมันคิดอะไร ทำไมหลวงตาว่าเราคิดก็เอาตัวเราไปก้มเข้าไปดูในตัวเหมือนกับไอความคิดมันอยู่บนหัวเนี่ยแต่หัวก้มเข้าไปดูในตัวเราเนี่ยแล้วก็ดูในตัวเราไม่เห็นมันคิดอะไรมันเฉยอย่างเดียวทาไมหลวงตาว่าเราคิดแต่ไอความคิดมันอยู่บนหัวนนั้แล้วถามเท่าไหร่ไม่เห็นเพราะมันเอาความคิดไว้บนหัวแล้วหัวก้มเข้าไปดูในตัวเงี้ยความรู้ขอไม่จีทําลักษณะแบบเนี้ยเราเห็นแล้วก็พอตาถามจี้ก็ก็ ดูไม right? right? ่เห็นมันคิดอะไรจริงๆนะทําไมว่าพราตาว่าเราคิดแต่ต้องคิดอยู่ในหัวว่าไม่คิดไม่คิดไม่คิดแต่ก็ไปมันก็มไปดูในตัวมันก็เห็นตัวมันคิดมันเฉยอย่างเดียวแต่ไอตัวที่ไปเห็นเฉยแต่มันคิดอยู่เข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจจริงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดกันไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว เ อ, เอาดูนายพลนี่ท่านนายพลเขบอกว่าไม่เห็นจริงเอาเอาไมา้ใบหนึ่งให้ใ น, นายพลหนึ่งท่านนพลดูสบอกว่าไม่ไม่เห็นเหมือนกันท่านนาพลก็ไม่เห็นที่หลวงตาพูดเนี่ยว่าไม่เห็นนมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยไม่เห็นคิดเป็นยังไงแจะจากกันพรุ่งนี้อยู่แล้วยังไม่เห็นเลยเพราตัวเ อ, เองกำลังคิดเดี๋ยวเดี๋ยอกนึกว่าน่าจะเข้าใจอนะคะแต่ก็ยังยังไม่ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะน่าจะเข้าใจเข้าใจยังไงครั ก็งงเงงงงอยู่อะค่ะยังไงยงไงงงยังไงไม่ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงไม่รู้จะตั้งต้นยังไงอะค่ะอาการที่มันงงในรู้ไหมอะรู้รู้อาการงงค่ะนั่นแน่อาการงงนั่นแน่คือจิตตสังขารคือสังขารปุงแต่งไอที่รู้อาการงงนี่คือคือจิตแท้หรือใจแท้ คือตัวเราเป็นยังไงเนี่ยไอ้ฝังหันทั้งนั้นเลยแล้วที่มารู้ว่าตัวเรางงไอ้ที่รู้เนี่ยนะคือคือธรรมชาติแท้ๆของธาตรู้ที่มันพ้นจากขันห้าขันห้าเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องรู้ไปตามจริงๆก็คือเรางงมากเลยตอนเนี้ยงงแต่ไอ้ที่มารู้ว่าเรางงเนี่ยไอ้ขันห้าที่งงเนี่ยงงนี่คือขันห้าแต่ไอ้ที่มารู้ว่างงเนี่ยคือไอ้นั่นนหละคือธาตุแท้ธาตุรู้แท้ๆที่มารู้ขันห้าไว้ขันห้ากําลังงงรู้ว่าตัวเรากำลังงง ไอ้ท okay. ี่ตัวเราเป็นยังไงแล้วถูกรู้ได้เนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยนะคือตัวสังขารตกแต่งทั้งหมดเลยแต่ที่มารู้ตัวเราเป็นยังไงนะคือเป็นธาตุแท้แท้เป็นธรรมธาตุแท้แท้งนั้นตัวเราเนี่ยทุกกิยาการยังไงจะต้องถูกรู้ด้วยธาตุรู้แท้แท้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นตัวเราที่งงตัวเราที่สงสัยตัวเราที่อ้ามอมอึ่งอึไปไม่ถูกไอ้ที่ตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเป็นตัวูกแต่งเป็นตัวถูกรู้ทั้หมดแต่ที่มารู้ตัวเราเนี่ยคือ เป็นใจหรือเป็นธาตุรู้แท้ๆเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุก็ได้หรือเรียกว่าเป็นสุญญตาธาตุเป็นมหาสุญญตาเป็นจักรวาลเดิมก็ได้นั่ น, นอ๋อค่ะะนพอได้แล้วค่ะแล้วอย่างเงี้ยอย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ตัวเราเนี่ยอย่าทิ้งรู้ส่วนในตัวเราจะเป็นยังไงเป็นตัวสังขารทั้งหมดอย่าทุกข์กัตัวเราเนี่ยเออตอนนี้ชักเข้าใจขึ้นตัวเราที่ไม่เข้าใจตัวเราเริ่มเข้าใจ แล้วรู้ไหมว่าตัวเราเข้าใจรู้ไหมว่าตัวเราไม่เข้าใจฝั่งเราไม่เข้าใจรู้ไหมรู้ใช่ไหมไอ้ตัวเราที่เข้าใจก็เป็นขันห้าตัวเราที่ไม่เข้าใจก็เป็นขันห้าแต่ที่มารู้ว่าขันห้าเนี่ยมารู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจไอ้รู้เนี่คือธรรมชาติแท้ๆคือพุทธะเลยเน่ะจึงไม่ต้องการว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ที่มารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราพบรู้วันนั้นน่เรียกว่าพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปณิพานก็คือใจที่มารู้ตัวเราว่าเราไม่เข้าใจดังนั้นความไม่เข้าใจไม่มีความหมายแต่ไอ้ที่มารู้ว่าเราไม่เข้าใจอันนั้นนหะคือใจผู้ใดพบใจที่มารู้ตัวเราว่าเราไม่เข้าใจอันนั้นแหละคือใจแต่ไอ้ตัวเราอะที่ไม่เข้าใจเป็นขันห้าจึงเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่มีความหมายเพราะว่าขันห้าเนี่ยเข้าใจแล้วพอขันห้าเนี่ยมันเข้าใจตอนเนี้ยถามทนานพลก็เลยบอกว่า รู้ไหมว่าเราเข้าใจขึ้นรู้ไหม mm hmm. ไอ้ น, นั้นเน่ยไอ้ผู้ที่เข้าใจเนี่ยคือขันห้าไอ้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจขึ้นไอ้ น, นั้นเน่ยเป็นใจ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันเป็นขันห้าไม่มีความหมายแต่สําคัญที่สุดคือพบใจที่มารู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเรียกว่าพบธรรมหายงงอย่าหายงงแล้วหายงงแล้วและ ไอ้ผู้ที่หายงงคือใครผู้ที่หายงงคือตัวที่รู้เป็นตัวติดผู้ที่หายงงเนี่ยคือใครแล้วใครมารู้ว่าเราหายงงแล้วผู้ที่หายงงคือขันห้าเออถูกต้องผู้ที่หายงงคือขันห้าแต่รู้ได้ไงว่าเราหายงงติดที่รู้เออนั่นแหน่เนแค่นี้แน่พบผู้รู้แนะ่พบทำ แล้วเป็นยังไงบ้างอะตัวนี้ดีขึ้นค่ะแล้วดีขึ้นเนี่ยรู้ไหมอะครับแล้วดีขึ้นนี่คืออะไรดีขึ้นก็ตัวขัหนห้าเออแล้วไอที่รู้ว่าเราดีขึ้นนี่คืออะไรตัวจิตที่เข้าไปรู้เออเออข้ออย่างชั่วจะกลับแล้วพวงนี้อออไอที่รู้ว่าเป็นเราเป็นอะไหลเนี่ยคือทารู้หรือว่าคือทำ วันนั้นเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่ใช่สาะระสําคัญไอ้ที่เราไม่ดีขึ้นอันนี้มันคือขันห้าเรารู้ไหมว่าเราไม่ดีขึ้นออาไปนั่นแหละคือคือธรรม่ะเรียกว่าพบธรรมและคือพบว่าเราเนี่ยไม่ดีขึ้นเราดีขึ้นนะเรารู้ไหมเราดีขึ้นรู้ไอ้ที่เราดีขึ้นรรนี่คือขันห้าแต่ไอัที่มารู้ว่าเราดีขึ้นนี่ค<ๆ>ือธรรมแยกระหว่างขันห้ากับผู้รู้ขันห้ามันขาดออกจากกันแค่นั้นแหละคือขันห้าไปเป็นเป็นตัวที่ถูกรู้ ไอ้ผู้รู้เนี่ยคือผู้ที่มารู้ขันห้าเพราะในไอ้ตัวที่ถูกรู้ต้องหมดาไปขันห้าไอ้ขันห้าเป็นของไม่เที่ยมต้องแตกดับต้องทําลายแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นอมะตะต้องการแค่นี้ไงแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจิตใจเป็นไงบ้างสบายขึ้นอ่าสบายแล้วตอนนี้สบายแล้วไอ้สบายแล้วเป็นอะไรตัวขันห้าเออเป็นขันห้าแล้วรู้ได้ไงว่าสบาย ก็ใจติดเข้าไปรู้อ่าใช่ไหมใจหรือธาตรู้มันมาู้ขันห้าอ่าเนี่ยพูดเข้าใจจริงๆอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มไล่ทันแล้วแล้วแค่นี้เนี่ยต้องการขันห้าก็รู้ว่ามันแยกขาดจากกาันไอ้รู้เนี่ยเป็นใจเป็นใ จ, จเรียกว่าใจเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกนิพพานธาตุเรียกมหาสุจตตาเรียกจักรวาลเดิมจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ชื่อสมมุติทั้งนั้นแหละแต่มาลุขันห้าันแล้วกันแต่ขันหเนี่ยไอ้ที่ถูกรู้ได้ทั้งหมดเป็นขันห้าเป็นตัวไเทีย่ยวทั้งหมด มันจะดีไม่ดีเข้าใจไม่เข้าใจไปตนิ่งถูกรู้หมดเราว่าตอนในผลเนี่ยเป็นเหตุทําหลายคนเนะที่บอกว่าเข้าใจแท้จริงกับไม่เข้าใจต้องมาเข้าใจตอ่อนนีเลยยังเข้าใจสับสนเห็นไหมเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างขันห้ากับรู้เนี่ยอ่าไปชีรู้อย่างอะไรเนี่ยฟังเมื่อกี้แล้วพอเข้าใจนะฮะพอเข้าใจค่ะฟังเมื่อกี้พอเข้าใจคะ ตันที่หลวงตาคุยกับกับโยมาฮแล้วรู้ยังไงว่าพอเข้าใจรู้ยังไงพอเข้าใจใช่ไหมฮะมก็ฟังแล้วก็คือเข้าใจก็คือขันหา้าแล้วรู้ยังไงว่าเข้าใจก็รู้ตัวรู้มันเข้าใจอาา่ะฮะไอตัวเข้าใจเนี่ยคือขันห้าไอที่รู้เนี่ยมันคือ มันคือธาตุรู้เพขาธาตุรู้ก็ได้ไม่ได้แยกออกจากขันห้าต้องเรียกว่าใจเรียกว่าจิตเริ่มแท้ไม่ต้องเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าธาตุรู้แยกขันห้ากับรู้ออกจากกันได้ขาดกระเด็นเพอาะตอนนี้เป็นไงบ้างจิตใจเป็นไงบ้างก็รู้สึกโล่งๆกว่าเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เอเมื่อกี้รู้สึกติดอัดตอนนี้รู้สึกโล่งๆขึ้นไหนฮะก็ได้เข้าใจแค่สองคำนี้ยค่ะแล้วไอ้ธาตุรู้กับ ไอ้ที่รู้สึกโล่งๆน่ะมันคืออะไรผันห้นาค่ะแล้วรู้ได้ไงว่ารู้สึกโล่งๆธาตรู้ค่ะเอออย่างงี้ยนไะอ้คอยไล่กกินก็ซาเล<อ><อ>ยตอนเนี้ยต้องไล่ทีละคนนั่นละบ้าแบบเนี้ยอืมมันนี่อย่างเงี้อย่าทิง้งอย่าทิ้งรู้เราเนี่ยเนี่ยตัวเราเนี่ยอย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ไปนั่นขาดเพราะมันเป็นธาตุรู้มันมันเป็นธมต่ายเนี่ยเป็นอรรมตถาต่เลยมันเป็นสำคัญที่ตัวใชีวิตอย่าทิ้งรู้ตัวเราเนี่ย ไอ้ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้ให้เป็นขันห้าตลอดเลยมันจะแยกรู้กับขันห้ามันขาดกระเด็นออกจากกันแต่ตอนตายแล้วขันห้ามันก็ดับไปเหลือแต่รู้ที่เป็นธรรมะไอ้นี่มันสาคัญที่สุดเลยชีวิตของเราทั้งหมดที่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นอนันตกรรมจะได้จบสิ้นลงอย่าทิ้งรู้อย่ารู้อะไรก็รู้ตัวเราขันห้าเลยเนี่ยรู้มันยงซื่อๆอย่าตรงไปตรงมาเข้าใจก็รู้มันเข้าใจไขันห้าเข้าใจขันห้าไม่เข้าใจ ก็รู้ว่าขันหน้าไม่เข้าใจเอที่ไม่เข้าใจน่ะคือขันหน้าไอ้ที่รู้ว่าขันหน้าเนี่ยไม่เข้าใจอันเนี้ยเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าเข้าใจก็ต้องถูกรู้ไม่เข้าใจก็ต้องถูกรู้มันไม่จะไปหาควาเข้าใจที่นางสุจาดาที่เอาข้ามาทุกข์ญาติไปถวายพระเจ้าเออพระเจ้าตรัสรู้แล้วเออสอนสอนได้บ้างไหมสอนได้บ้างไหมว่าตรัสรู้อะไรพระเจ้าบอกได้ตั้งใจฟังให้ดีก็พวกง่ายๆแบบเนี้ยสุธาดาบอกไม่เข้าใจ เออไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้รู้ได้ใจเอแยกรู้กับขันห้าออกจากกันโดยเด็เดขาดคือว่าขันห้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้รู้เนี่ยมารู้ขันห้าแค่อย่างงี้งก็กดี๋ีที่เราเรั่นสมาธิในขัรหลงตางแล้วเรารู้สึกตัวเราไม่ได้หลับใช่ไหมฮะแต่ว่าดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออก น, นี้ก็ถือว่าอันนั้นเป็นขันห้าหรือเปล่าะ <formation? S 2> อ, ยอย่างการนั่งสมาธิอะฮะนั่งสมาธิใช่ไหมฮะแล้วเรานั่งอยู่เรารู้สึกตัวเราว่าเรานั่งอยู่แล้วก็เราดูลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นตรงนั้นเรียกว่าการหายใจนี้เป็นเป็นขันห้าแล้วก็รู้เหมือนอย่างอย่างสองสองอย่างนี้ได้ป่ะฮะรู้อะไรกับขันห้ารอะไรรู้รอ่าการไอลมหายใจเข้าออกเป็นขันห้าแล้วแล้วอะไรเป็นรู้ แล้วเราเธาตรู้มารู้ว่าเราหายใจไออถูกต้อ ง, งอย่างนี้ถูกต้องใ<ห>งะแล้วอย่างเวลาที่เราเดินจงกรมอย่า ง, งานเนี้ค่ะเวลาเราเดินไปขาเราเคลื่อนไปเนี่ยเราก็ไปรู้อาการเคลื่อนแล้วก็สัมผัสพื้นอันนั้นถือเป็นข <c ười> ันท่าค่ะถูกต้องนะะอาการของร่างกายที่เคลื่อนไปแล้วก็มีความรู้สึกยังไงเป็นขันท่าใช่ไหมค่ะแล้วก็ที่ไปรู้ว่าอาการเคลื่อนก็คือธาตรู้เอ่า ดูแค่แค่นี้พอใช่ไหมฮะให้เป็นรู้ว่าอันนี้เป็นขันหน้าอันนี้เป็นรู้อันนี้เป็นขันหน้าอันนี้เป็นรู้ขันหน้าแยกให้ออกในรูปนาบุตรบ้นใ ห, ร, ใหรู้สองอย่างนี้ในเวลาที่เราเดินจงกกงหรือนั่งสมาธินี่ก็คือการรู้สึกตัวตลอดอย่างที่หลวงตางสอนหรือเปล่าคะติดต่ออจดจ่อต่อเนื่องที่หลวงตางบอกว่าให้ทำความเพียรจดจ่อต่อเ น, นื่องเนี่ยฮะอันนี้เป็นเป็นเป็ น, ปนทําอย่างนี้มิจช่ได้ไหมฮะ หรือก็แม่ชีไม่เข้าใจถ้าแม่ชีอางนี้แม่ชีก็จะไปรู้ใจเรื่องบทของกายอย่างเดียวตอนนี้แม่ชีก็ไม่ได้ปล่อยวางจิตเลยแต่เนี้ยไม่ได้รู้จิตเลยแมนชีคนทุกข์ไม่ได้เลยแบบนี้ถ้าทําอย่างนี้ตายแล้วก็คนทุกไม่ได้เพราะไอ้ตัวทุกข์จริงๆมันคือจิ ต, ตมันจิตเนี่ยมันเหตุทําให้เป็นผู้กอ่กอผูก่อผก่อชาติรู้แต่กายอย่างเดียวเดินไปเดินมาผู้ทุกข์กี่ไหนมันในวัฏฏู แล้วิจิยังไม่เข้าใจว่าความปนทุกข์มันปนทุกข์ได้ยังไงมันพ้นจากจิตสังขารนะมันุดพ้นจากจิตสังขารเพราะจิตสังขารแล้วมันจะพาใหเป็นทุกข์มันุดพ้นจากจิตสังขารเนี่ยมันถึงปนทุกข์ได้เพราะจิตสังขารเนี่ยความปรุงปรุงคิดคิดปรุงเนี่ยตัวเคลื่อนที่ของจิตนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเกาะเกี่ยวัวพั่านสิ่งใดมาท่าให้เป็นทุกข์พ้นจากจิตสังขารมันจะพ้นจากทุกข์จิตไป็รู้จต่กายเดินไปเดินมามันไม่พ้นทุกข์นี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะมีว่าช่วงนนัมมก็จะี เรื่องเข้ามาเหมือนกับมีความคำนวลเข้ามาหรือมันมีความพูดเข้ามาเนี่ยค่ะมันจะเข้ามาในช่วงที่เหมือนกับเวลาที่เราปฏิบัติอย่างเงี้ยนะนี่มองว่าบางทางเหมือนกับมันก็เห็นว่ามันมีเสียงภาคเสียงพูดอยู่ในใจแล้วแล้วชี เ, เ, เมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ไม่เห็นคิดก็เห็นเนี่ยตั้งประมาธิมันมีพากมีพูดในเรื่องของคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่ในใจเนี่ยก็คือคิดทำไมเม่ี้บอกไม่เห็นคิด พอนั่งสมาธิมีตาภาพของคนนั้นมีแต่เรื่องราวอะไรเข้ามาในกจเยอะมากเรื่วงเข้าไปใใจแล้วไม่ชีบอกว่าไม่เหคิดไหนไเออเดี๋ยวงงมากเลยแต่ช่วงที่ปฏิบัตินั่นแหละคะที่บอกว่ามันมีเข้ามาแต่เมื่อกี้ที่คุยว่าไม่ไม่เห็นก็คือช่วงที่กำลังตามอตั้งแต่สอนมาเนี่ยปฏิบัมาเนี่ยไม่มีใครใครเห็นคิดมากเลยแล้วไม่ชี้บอกว่านั่งปฏิบัติเตินจงกรมนั่งเนี่ยมีแต่เรื่องราวอะไรเข้ามาในใจมากหลายอันนั้นไม่ได้คิดเลยนะแล้วไอที่คิดได้มันเป็นอะไร คิดได้เป็นขันห้าแล้วเออไอ้ทีคิดไทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ที่บอกมีเรื่องราวมากมายในใจทั้งหมดนี่แหละไอ้ที่เป็นคิดไา้เป็นไรเป็นขันห้าเพราะว่าพอมันมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยเป็นเรื่องของมันเรื่องของธรรมชาติมันไม่สามารถอยู่ตลอดได้เพราะเเรื่องของธรรมชาติแต่ปัญหามันที่ว่า แม่ชีรู้ไหมว่ามันมีเรื่องเข้ามาในใจอ่ะรู้ไหมไอ้รู้เนี่ยมันเป็นอะไรธาตุรู้เออมันเป็นธาตุรู้แม่ชีแยกตรงนี้ไม่ออกหรอกอเพราะนั้นแค่นั้นแนะไอ้เรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในใจทั้งหมดอ่ะคอยรูปไปขนันห้าแล้วรู้ได้ไงว่ามันมีเรื่องเข้ามาในใจอันนี้มันเป็นธาตุรู้ไป่ชีแยกธาตุรู้ว่ขาขันห้ามันออกจากกันให้ได้ให้เด็ดขาดแค่นั้นแน่เมื่อจะพ้นทุกข์เลยก็ส่วนขันาห้าก็ปล่อยมันแตกตายแ ต, แ ต, แตกดับไปให้มันเป็นรู้ซะ เพราะว่าไงอ่ะธรรมชาติมันมันก็ตกไปตรงมาขันห้ามันก็ตกไปตรงมามันแสดงกิรีการมันขันห้าก็แสดงการิยาการตกไปตรงมาไอ้รู้มันก็รู้ขันห้าตกไปตรงมาให้เป็นรู้เรื่อยไปอ่ะถ้าเปนเป็นขันห้าเมื่อไหร่มันอันนี้มันต้องเกิดดับก็ไปเกิดดับอีกหลายชาติถ้าเป็นรู้มันไม่เกิดดับตามขันห้าแต่ขันห้าเนี่ยมันเกิดดับแต่ไอ้ที่รู้ขันห้ามันไม่เกิดดับมันเป็นอวตาร เป็นธ า, า, าตุอมตะเพเราะตัวตนนั้นไม่มี nuestro, มันไม่เกิดดับมันก็ได้แต่รู้สิ่งเกิดดับก็คือไอ้สิ่งเกิดดับเป็นขันห้าหมดให้เป็นรู้อย่าไปเป็นขันห้าที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อแยกให้ออกระหว่างอะไรเป็นขันห้ากับอะไรเป็นรู้นั่นแหละแยกให้ออกตรงนี้เนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาขันห้ามันก็แสดงอาการกริยาการมาตรงไปตรงมาแต่เราก็ให้เป็นรู้เลยไปเป็นรู้ขันห้าเลยไปแยกให้ออกระหว่างรู้กับขันห้าแค่นี้ไง เขาเรียกว่าสิ้นอุปทานขันห้าคือหยิบหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นยิบขันห้าสิ้นไปเป็นขันห้าก็เนี่ยก็พ้นทุกข์พ้นวุ่นิิภานเนี่ยการปฏิบัติมุ่งพ้นอยู่ปล่อยวางขันห้าละขันห้านี่แน่พลาหาเวปัญจากขันธาขันต่างห้าเป็นของหนักเน้อเนี่ยพลาฮาโลจะบุคโลบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะแบกขันห้ายิบขันห้าพาไป พาลาทานนางทุกขังโลเกการยึดขันห้าการแบกขันห้าไว้ในความยึดถือเนี่ยเป็นทุกในโลกนี่พาลานิเก็ะนางทุกขงังพระเดียะเจ้าทั้งหลายปล่อยวางขันห้าเดี๋ยวนี้จเป็นพระเดียะเจ้าเนี่ยมันมันเน้นตรงขันห้านี่แน่ปล่อยวางขันห้าอ่อาเมื่อกี้ยกมือหลังไล่าอ่ะที่ดวงตาไล่ค่ะก็เข้าใจอย่างที่ดวงตาบอกแต่ว่า รู้สึกว่ามันเข้าใจแต่มันไม่ได้เข้าใจออกมาจากใจอ่ะค่ะเข้าใจเหมือนเข้าใจทฤษฎีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเงี้ยค่ะก็คือถ้าถามถ้าอย่างที่หลวงตาถามก็ตอบได้แต่ว่าอย่างบอกว่ารู้เงี้ยมันมันไม่ได้ออกมาจากจากข้างในอ่ะค่ะจะมันเหมือนกับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเงี้ยค่ะจะรู้อย่างนั้นนะคะหลวงตาเข้าใจหนูค่ะเออแสงก็รู้แต่ไม่เข้าใจ แต่ไม่เข้าใจแต่ก็รู้ไม่เข้าใจก็ไปรู้ก็ปล่อยขันห้าไม่เข้าใจไปเอาพู้ใหม่ที่งงคือเยนตะกี้ที่ที่หลวงตาไล่อ่ะค่ะก็จะแยกออกอย่างที่หลวงตาถามก็ตะกี้ก็จะตอบอ่ะอันนี้เป็นขันห้าเข้าใจเรารู้ได้ไงว่าไม่เข้าใจคือเอาเอาเอ า, เอาจิตจิตแท้เป็นตัวรู้แต่มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้รู้ออกมาจาก จากข้างในตัวเองอะค่ะมันรู้เหมือนโอเคนี่ก่าเอาทีละตอนดิพูดเร็วเกินไปเดีตอบไม่ทันเอาตอนนี้อะเมื่อกี้ถาว่าไงนะเราไม่ได้รู้ออกมาจากใจมันเป็นรู้ออกมาจากสัญญาเรารู้ไหมว่ามันไม่รู้ออกมาจากใจอ่ะรู้ค่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเราไม่รู้ออกมาจากใจมันมันเหมือนอัตโนมัติค่ะอ๋อเนี่ยเนไอ้ที่รู้อัตโนมัตินี่เน่ยที่รู้อัตโนมัตินี่เนี่นี่นี่ยนี่นี่ยอันนี้เนี่ยคือใจ อ๋อมันแค่นี้เองไงหรอคะอ้าก็จะเอาอะไรอ่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งวางหม่เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วรู้ได้ไงว่าเข้าใจแล้วก็ก็ได้ก็ที่หดวงตาบอกก็ขันบอกว่าเข้าใจแล้วก็แล้วรู้ได้ไงเมื่อกี้บอกอ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคิดรู้ได้ไงจิตมันก็จับอีกทีบัด อ๋อไอ้อย่างนี้ที่หลวงตาอธิบายมันเป็นอย่างนี้ก็ เ, <ร>เข้าใจเออแล้วเราใช้หนึ่งบทหนึ่เป็นสองไหมไม่ได้ใช่ค่ะแต่รู้สึกรู้สึกมันเหมือนมันเป็นอัตโนมัติก็เลยงงว่าเอ็มมันใช่หรือเปล่าก็มันเป็นธรรมชาติแหะมันเป็นธรรมชาติถ้าไม่อัตโนมัติเราก็ต้องปรุงมาเลเข้าใจเลรอค่ะท า, า, างนั้นแล้วรู้ไหมเราเข้าใจ รู้ค่ะเอาธรรมะมันตรงไปตรงมามันเปน็นเป็นธรรมชาติมัใช่เราไปปรุงให้มันรู้ไปไปรุงเข้าใจ